เมื่อนอนตื่นลืมตามีสติและพึงคิดใช้ชีวิตด้วยเหตุผลใช้ปัญญาหาสิ่งดีมาใส่ตนจะเป็นคนพ้นลำบากไม่ยากเลยสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมนายทะกรคณชอบเล่าวันนี้ในหมวดของนิทานผมอยากจะนำนิทานดีๆฟังและได้แง่คิดที่ไปเจอมาจากโซเชียลหลายคนอาจจะเคยฟังแล้วและหลายคนอาจจะยังไม่เคยฟังแต่ถึงแม้ว่าจะเคยฟังแล้วก็ไม่แปลกถ้าหากว่าจะได้ฟังอีก เพราะของดีๆเราบริโภคบ่อยก็ไม่เป็นภัยครับการละครั้งหนึ่งมีขอทานคุณหนึ่งออกขอทานทุกวันเขาอยากจะมีชีวิตเหมือนคนปกติเพราะฉะนั้นเขาจึงมักจะขอทานสเสบียงกลางและตุนไว้แต่ว่าเขา ก, ากักตุนสเสบียงมานานหลายปีหน้าแปลกยุ้งฉางของเขาก็มีตะเพียงเข้าสารนิดหน่อยเขาไม่เข้าใจเลยว่าทําไมถึงเป็นเช่นนั้นเขาจึงตัดสินใจค้นหาสาเหตุและคืนวันหนึ่งเขาแอบอยู่มุมหนึ่งของบ้าน ใช้สายตาจับจ้องไปที่สเสบียงแล้วในที่สุดเขาก็เห็นหนูตัวใหญ่มาขโมยกินสเสบียงของเขาเขาโกรธมากและตะโกนไปที่เจ้าหนูว่าบ้านคนรวยมีอาหารเยอะแยะทําไมแกไม่ไปกินทํำไมมาเจาะจงกินอาหารข้าที่กักตุนมาด้วยความยากลําบากเจ้าหนูหันมามองและพูดขึ้นว่าชะตาของเจ้ามีข่าวสารได้แค่แปดส่วนเดินให้ทัวร์ลาก็ไม่สามารถมีข่าวสารได้ครบถังขอทานถามเจ้าหนูกลับไปว่าทําไมทําไมมันเป็นเช่นนั้นเจ้าหนูจึงตอบว่า ขาก็ไมรู้ไปถามพระพุทธองค์สิขอทานได้ฟังจึงตัดสินใจเดินทางไปทางทิศตะวันตกเพื่อถามพระพุทธองค์ว่าเหตุผลอันใดจึงมีชะตาเช่นนี้ระหว่างที่ออกเดินทางเจ้าขอทานก็ขอทานไประหว่างทางด้วยทั้งเดินทางและขอทานไปในระยะที่ไกลมากวันหนึ่งเขาเดินจนฝ่ามืดมองไปมองมาก็พบบ้านหลังหนึ่งจึงรีบเดินเข้าไปเคาะประตูมีพ่อบ้านเดินออกมาถามว่ามีเรื่องอะไร ขอทานคนนั้นจึงได้บอกว่าขอข้าวกินหน่อยระหว่างนั้นพอดีเศรษฐีเจ้าของบ้านออกมาเห็นเข้าเลยถามขอทานว่ามืดอย่างนี้แล้วทําไมยังเดินทางอยู่อีกขอทานจึงได้เล่าชะตาชีวิตให้เศรษฐีฟังบอกว่าตนเองจะเดินทางไปถามเหตุผลกับพระพุทธองค์เศรษฐีได้ยินดังนั้นก็รีบให้พ่อบ้านเชิญขอทานเข้าไปนั่งในบ้านให้สเสบียงกลางและเงินกับเขาเป็นจํานวนหนึ่งขอทานถามว่าทําไมจึงทําเช่นนั้น เศรษฐี จ, จึงได้เล่าเหตุผลให้ฟังว่าลูกสาวข้าอายุ16แล้วยังพูดไม่ได้ขอร้องให้เจ้าช่วยถามเหตุผลกับพระพุทธองค์ด้วยทําไมจึงเป็นเช่นนั้นเศรษฐีเคยสาบานไว้ว่าใครก็ตามที่ทําให้ลูกสาวพูดได้เขาจะยกลูกสาวให้แต่งงานกับคนคนนั้นขอทานได้ฟังเช่นนั้นก็คิดว่าไหนๆก็จะไปหาพระพุทธองค์อยู่แล้วเราก็ถือโอกาสช่วยถามให้เขาหน่อยก็ได้ขอทานจึงรับปากรับคําว่าจะช่วยถามให้ ขอทานเดินทางต่อไปผ่านภูเขาลูกแล้วลูกเล่าเดินถึงภูเขาลูกหนึ่งเห็นวัดแห่งหนึ่งตั้งอยู่ก็เลยเข้าไปขอน้ําดื่มเห็นพระแก่รูปหนึ่งถือไม้เท้าดีบุกท่าทางแก่มากแต่ดูกระสับกระเฉงพระชราให้เขาดื่มน้ําและบอกให้เขาพักผ่อนอยู่สักครู่จากนั้นก็ถามเขาว่าจะไปไหนขอทานจึงบอกจุดหมายที่จะไปพระชรารีบจับมือขอทานไว้และพูดว่าขอร้องเจ้าช่วยถามพระพุทธองค์ให้หน่อยว่า ข้าเข้าชานฝึกฝนมาหาร้อยกว่าปีแล้วตามหลักควรจะขึ้นสวรรค์แล้วทําไมยังบินขึ้นไม่ได้ขอทานได้ฟังก็รับคํารับปากพระชาราจากนั้นการเดินทางจึงเริ่มขึ้นต่อเดินไปข้างหน้าผ่านหนทางทั้งห้วยหนองคลองบึงขอทานก็มาถึงริมแม่น้ําแห่งหนึ่งในแม่น้ํานั้นไม่มีเรือสักลําเขารู้สึกร้อนรนใจมากจะทําอย่างไรดีจะข้ามไปยังไงขอทานจึงร้องไห้และพูดว่า หรือว่าชีวิตข้าจะต้องลำบากเช่นนี้ระหว่างที่ร้องไห้ในโชคชะตาอยู่นั้นทันใดนั้นเต่ายักษ์แก่ตัวหนึ่งโผล่ขึ้นมาเหนือน้ําเต่าแก่พูดภาษาคนได้เหมือนเช่นหนูถามขอทานว่ามาร้องไห้ที่นี่ทําไมขอทานจึงได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังเต่าแก่ได้ฟังก็พูดกับเขาว่าข้าได้เข้าฌานปฏิบัติตนมาแล้วกว่าพันปีตามหลักน่าจะกลายเป็นมังกรบินไปแล้วทําไมยังเป็นแค่เต่าแ ก, แก่ตัวหนึ่ง ถ้าเจ้าไปพบพระพุทธองค์ช่วยถามให้ข้าด้วยแล้วข้าจะให้เจ้าขี่หลังข้ามแม่น้ําไปฝั่งตรงข้ามขอทานรับปากด้วยความดีใจหลังจากที่ข้ามแม่น้ําด้วยหลังเต่าแก่แล้วขอทานเดินจนจำไม่ได้ว่าผ่านมากี่วันกี่เดือนแล้วแต่ก็หาพระพุทธองค์ไม่เจอคิดในใจว่าพระพุทธองค์อยู่ไหนนะแดนสุขาวดีมันก็น่าจะถึงแล้วขอทานเสียใจมากเลยพลอยหลับไปแบบงุนงง หลับไปนานเท่าไหร่ไม่รู้ทันใดนั้นพระพุทธองค์ปรากฏองค์ขึ้นขอทานได้เห็นดีใจมากพระพุทธองค์ถามขอทานว่าเจ้าเดินทางมาไกลขนาดนี้น่าจะมีคำถามอะไรที่สำคัญมากใช่ไหมใช่ขอรับข้าน้อยจะถามคำถามหลายคำถามหวังว่าพระองค์จะอธิบายให้ข้าน้อยเข้าใจได้พระพุทธองค์ตอบว่าได้สิแต่มีเงื่อนไขอยู่นะเจ้าถามได้สูงสุดแค่สามคถามเท่านั้น เพราะว่าไม่เคยมีใครถามคำถามเกิน3ข้อมาก่อนขอทานได้ฟังตอบตกลงคิดในใจว่าข้าจะถามคำถามไหนดีขอทานรู้สึกว่าคำถามของตนเองช่างไม่มีความสำคัญเลยเต่าแก่เข้าชานมาพันปีแล้วไม่ใช่เรื่องง่ายคำถามของเขาน่าจะลองถามดูพระชราที่ปฏิบัติมาห้าร้ปีก็ลาบากมากคำถามเขาก็น่าจะถามดูลูกสาวเศรษฐีช่างน่าสงสารนักลูกสาวพูดไม่ได้และจะแต่งงานได้ยังไง คำถามของเขาก็น่าจะถามดูและแล้วขอทานจึงไม่ลังเลที่จะถามคำถามที่หนึ่งนั่นก็คือเรื่องของเต่าพระพุทธองค์ได้ฟังตอบเขาว่าเต่าแก่ไม่ยอมสละกระดองของมันก็เลยไม่สามารถกลายเป็นมังกรได้ในกระดองของเต่ามีไข่มุกราตีอยู่ยี่สี่เม็ดถ้ามันยอมสละกระดองมันก็จะกลายเป็นมังกรได้ขอทานหายสงสัยถามคาถามที่สองขึ้นทันทีนั่นก็คือคาถามของพระชารา พระพุทธองค์ได้ฟังจึงตอบว่าพระชราถือไม้เท้าวิเศษทั้งวันในใจพระวงศ์แต่ไม้เท้าว่าเป็นของวิเศษใช้ไม้เท้าเคาะบนพื้นหนึ่งทีบนพื้นจะกลายเป็นทานน้ําใสถ้าหากพระชรายอมโยนไม้เท้าทิ้งเขาก็จะขึ้นสวรรค์ได้แล้วขอทานได้ฟังคําตอบรู้สึกดีใจมากจึงได้ถามคําถามที่สามต่อเกี่ยวกับลูกสาวเศรษฐีนั่นเองพระพุทธองค์ตอบว่าถ้าเด็กสาวได้พบคนที่เธอรัก เธอก็จะพูดได้เองสิ้นคําตอบทันใดนั้นเองพระพุทธองค์ก็หายไปขอทานรู้สึกว่าปัญหาของตัวเองไม่มีอะไรสําคัญกลับไปขอทานตามเดิมดีกว่าว่าแล้วจึงรีบเดินทางกลับเมื่อขอทานเดินทางมาถึงริมแม่น้ำเต่าแก่ซึ่งรออยู่แล้วเพราะคํานวณเวลาว่าขอทานน่าจะมาถึงเวลาใดจึงได้รีบถามว่าพระพุทธองค์ตรัสว่ายังไงขอทานจึงพูดว่าเจ้าพ า, าข้าข้าแม่น้ําไปก่อนและข้าจะเล่าให้ฟัง เตา อ, อยากฟังคำตอบจึงพาขอทานข้าแม่น้ำไปขอทานจึงได้เล่าสาเหตุให้ฟังเต่าได้ฟังแล้วก็เข้าใจทันทีจึงถอดกระดองออกและยกให้และบอกกับขอทานว่าในนี้มีไข่มุกราตรี24เม็ดเป็นของที่หาค่าไม่ได้สำหรับข้าไม่มีประโยชน์แล้วข้าขอยกให้เจ้าเตาแก่พูดจบจึงกลายเป็นมังกรบินหายไปขอทานจึงรับเอาไข่มุกราตรี24เม็ดแล้วรีบเดินทางกลับจนมาถึงนววัดที่ยอดเขา ได้พบกับพระชราพระชราเห็นหน้ารีบถามเขาว่าพระพุทธองค์ตรัสว่ายอย่างไรขอทานจึงได้เล่าสาเหตุให้ฟังพระชราได้ฟังรู้สึกดีใจมากจึงมอบแม้ท้าววิเศษให้แก่ขอทานและพระชราจึงขี่เมฆบินขึ้นท้องฟ้าหายไปขอทานเดินทางต่อไปด้วยรอยยิ้มที่ได้ช่วยเฉลยคาตอบสองข้อให้แก่ผู้ที่อยากรู้แล้วเดินทางต่อมาจนมาถึงหน้าบ้านของเศรษฐี ทันใดนั้นมีหญิงสาววิ่งออกมาและตะโกนเสียงดังว่าคนที่ไปถามพระพุทธองค์กลับมาแล้วเสรษฐีก็วิ่งออกมาเขาตกใจมากที่อยู่ๆลูกสาวก็พูดได้ขอทานถ่ายทอดคำตรัสของพระพุทธองค์เสถีได้ฟังดีใจมากจึงได้ยกลูกสาวให้แต่งงานกับขอทานแล้วเรื่องราวการเดินทางของขอทานก็จบความรักที่ให้ออกไปความรักก็จะย้อนคืนกลับมาความสุขที่ให้ออกไปความสุขก็จะย้อนกลับคืนมา คิดเผื่อคนอื่นย่อมจะต้องมีคนคิดถึงคุณนี่คือเหตุและผลและนี่คือกฎเกณฑ์คงไม่ต้องบอกว่านิทานเรื่องนี้สอนอะไรได้บ้างผมคิดว่าท่านผู้ฟังเข้าใจครับและก็ขอขอบคุณคุณอนุรักษ์ที่ได้แนะนำให้ผมนำเรื่องดีๆอย่างนี้มาถ่ายทอดครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ